ยาีเรียรเื่องเต่าพูดมากรั้งนึ่งนานมาแล้วในทะเลสาบนเทือกขาวแห่งหนึ่ง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 จะต้องโดนติดแงกอยู่หลายชั่วโมงแน่ถ้าเจ้าเต่าพูดมากเริ่มต้นพูดฉะนั้นจริงๆแล้วเจ้าเต่าพูดมากรู้สึกเหงาและเดียวดายในช่วงฤดูร้อนของทุกปีหงสาวที่สง่างามคู่หนึ่งจะมาพักผ่อนที่ทะเลสาบในภูเขานี้เป็นประจำมันใจดีเพราะมันปล่อยให้เจ้าเต่าพูดมาก พูดไปเรื่อยตามสบายหรืออาจจะเป็นเพราะมันคิดว่ามันมาอยู่แค่สองสามเดือนเท่านั้นก็ได้เจ้าเต่าพูดมากชื่นชมพอใจกับการได้เป็นเพื่อนกับหง ม, มากมันจะพูดกับผงใจดีคู่นั้นจนกระทั่งดวงดาวหมดประกายแสงรีบระยับแล้วลับฟ้าไปหงใจดีอดทนฟังมันพูดเสมอ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 และน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งฉันหนาวแล้วก็เหงามากพวกเราเต่าหน้าบินไม่ได้และถ้าจะต้องเดินแค่เดินไปนิดเดียวก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินกลับแล้วเพราะพวกเต่าเราน่ะเดินช้าหง ผ, ผู้มีใจเมตตาการุณาเห็นเต่าเศร้านะัก็รู้สึกสงสารมันจับใจ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 รักษาสัญญาของเราเสมอความจริงฉันจำได้ว่าฉันสัญญากับกระต่ายว่าจะพยายามปิดปากเงียบเมื่อสองสามวันก่อนหลังจากที่ฉันได้อธิบายให้พวกเขาฟังถึงกระดองเต่าชนิดต่างๆและหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อเต่าพูดมากหยุดการสาธยายและหง ก็ได้โอกาสพูดอีกครั้งมันพูดว่าเต่าเอ้ยเธอต้องสัญญาว่าเธอจะปิดปากของเธอนะเจ้าเต่าก็ว่างูมากความจริงน่ะพวกเต่าเรานะ่ะมีชื่อเรื่องปิดปากเงียบนะพวกเรา่าไม่ค่อยจะพูดรอฉันเพิ่งอธิบายาเรื่องนี้ให้ปลาฟัางเมื่อไม่กี่วันกว่ามันจะพูดจบ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 โหทั้งสองกระพือปีกอย่างสุดแรงยิ่งกว่าที่หงตัวไหนไหนจะเคยกระพือมาก่อนและทะยานขึ้นฟ้าโดยคาบไม้ไว้และมีเจ้าเต่าติดไปกับไม้นั้นด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่เต่าบินได้ยิ่งบินสูงขึ้นไปขึ้นไปทะเลสาบของเจ้าเต่าพูดมากก็เริ่มเล็กลงเล็กลง แม้แต่ภูเขาสูงใหญ่บัดนี้ยังดูเล็กกระจิตริษ์ด้วยระยะทางที่ห่างไกลจะเต่าเห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่เต่า ต, ตัวอื่นๆไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันพยายามอย่างยิ่งที่จะจดจำภาพทั้งหมดไว้เพื่อจะได้กลับไปเล่าให้เพื่อนๆของมันฟังแน่นอนว่าเมื่อมันถึงบ้านแล้ว พวกมันบินข้ามภูเขาไปยังพื้นที่ราบทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพวกมันบินอยู่เหนือโรงเรียนซึ่งนักเรียนกำลังเดินออกมาเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งบังเอิญแงนหน้าขึ้นมามองท่านคิดว่าเขาเห็นอะไรก็เห็นต่าวบินได้น่ะสิ เขาตะโกนบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ๆฮดูไอ้เต่าโง่นั่นสิมันเป็นได้เจ้าเต่าไม่สามารถจะห้ามตัวเองได้เอเรียกใครว่าโง่แพรบเสียงดังขึ้นมาเมื่อร่างเจ้าเต่าพูดมากกระทบพื้นและนั่นเป็นเสียงสุดท้ายจากมันเต่าพูดมากตายเพราะมันไม่สามารถปิดปากของมันได้